กในนาบ้านวรรณกรรมกรุป๊ปเลขที่40ทับ407บ้านรินราดาถนนนวนจันทร์แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพ